พระธรรมเทศนาจาดกปื้นเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำภูกทีสองเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยปออินสมชัยชมพูประเรียนทําหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงยโม ตัดซา a ะกวโตอะราโตสมาสัมพุทธัสสตถาปรังปันโทโลกะปะติเก่งอิทิงะเนตริยาธาเนทเสิติ สาธวดุราสปุริาตั้งหลผู้คงควายไขผ้าคือป้อนจากสงสารจิงเอตานใส่บาทบอละขาดเสียสินยังอาจินใจจอดบอละตอดภาวนาปากันมามวลหมู่ ขอมด่าอยู่ฟังธรรมจุงด้าจำติดต่อตามบาทขอบาลีวาตาต่อปารังดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตือ้อตะต่อปารังทัดดันไปไปดาบอเดินจ้าดีดีปันธุลากาบอดีผู้ให ญ, ญ่ป้อนอพระติัยบุญขวาง ก็นำเอาด้างอ่อนน้อยงามจื่นจ้อยจื่อกาลาวันนมาเป็นภาริญาแนบข้างช่วยก่อสร้างกะรต้มการคืออภิบาลพอเฝ้าเลี้ยงโลกเตาคำใจตั้งกิจจักการลายมวนหมูอันมีอยู่แก่หาส่วนนางกาลาวันนาหน่อยนาด วันดาวีลาชคิงหมายจบการลายจูดานบ่อขี้ขั้นเอญญาณิกิจจการน้อยใหญ่กระตำไดเร็วปันจู่คืนวันคำเจ้าปฏิบัติเฝารุมรายังบุตตตังหาฟ้อมทวนนาสมือกันย้ำไข่ปันเ่าวทอย ฟังจื่นจ้อยวอยยนใหญ่นาบ้านใส่นิ้มย้อยบ่อปากไรใจจางเม่นว่านังดอลาจากเป็นแม่น่ามาลุน <c oughs> ก็วังเป็นคุณธาเสดเป็นพาละเกิดยาวไปขนิ่งไหนห่วงหอยดังลูกน้อยในตนคือดังห้าคนปีน้องเกิดจากต้องนังมา ส่วนบุตาตั้งหักก่อฮักแม่หน้าเลือดลายแม่แม่ตนตายผ่าคองตุ๊กโศต้องมองผ่านมาเมื่อนานแต่ใส่ได้แม่ใหม่มาแต้นหูไม้แควนบ่อน้อยหายต่ําก้อยเป็นหนใจเบาวนไว้วันกองตั้งมันดีมา ถึงเวลาคาเจ้าก็ได้กินข้าวอาหารตั้งของวานลูกไม่แม่น่าไดา้ไห้จูอันอันก็มีหันและนาตาต่อปัญฐาแต่นั่นไปไปนาดางแม่น่ากาละวันนะ้าก็มีบุตรตาลูกเต่าสองคนเราจอมกัน มันฮักลูกมันล่ำกว่าลวดหายฮักยังหาคำใจจูแลงงายคำเจ้ามันการิงเล่าในใจว่าเขาของใดมวนหมอันมีอยู่เกหาของนานานันเล่าเป็นของแม่เก่าจูภาการถึงเมื่อนานไปนาน ลูกใหญ่กาเติงตันป่อแห่งมันเท่าแก่เตียงจักแผ่ปันหมายยังเข้าของลายทวนนาแก่ลูกตั้งหาบุญจูส่วนลูกแห่งกูตกท่อยเป็นลูกแม่น้อยที่หลังเตียงบ่มีหวังจกักใดยังเข้าของเครื่องใจใดใดแม่นป่อเตรียมใจกึดรอด จากยกตอดวางปัน่นจากเสมอกันยินอยากน้อยและมาตาหมีลูกมียางหัวตีนั้นเล่าเตียงใดมากเตา้าเลือลายลูกเมียไปได้น้อยบ่สมไปหอยดีลีนางกาลีแม่นาโลพากามมวนพอ่อหาคนปีน้องดังนาําเสียบต้องหัวใจ เคยจะใครอ้วนอ่อนตั้งแต่ก่อนเบิดมาก็ใครจะแจ้งดาด้วยกรำหยาบจาสามารนาตาบานยิ้มย้อยกลายเป็นยักษ์ไร้พีมาน กินจาการน้อยใหญ่บอ่อใจใส่ดังอ้อนตังตีนอนเสือสาดละเรียราด ใ, ใหญ่ใหญ่ถวยจานให้บอ่อล่างเยี่อหื้อแตกมังเพทาแล้วแสงจ่าบอกพ่อเป็นกำศหลวงพรางว่าลูกแข่งนางแม่เก่าตั้งห้าหนอเนาคำจาจ ยามพี่พันภายกาผากออกไปจากเกหายอมปากันมาเล่นเล่นหกวิ่งเต้นในเฮือนเฮือนป่อเฟื่อนยันยันแวงตรงลันปูนกัวตั้งเครื่องคัวถวยจอนเก็บบางซ่อนจอมกันมีเสียงนั้นสิงซอง ตกถูกต้องของแข่งหลวดจัดแหงแตกบางกินแล้ววังยายใหญ่กินที่ในขวางหันบ่อเมือนก่อนนั้นเดิมมางานนาน้อยใหญ่ก็บอช่วยใจตามรายเตากินข้าวง่ายแล้วนอนกินข้าวตอนแล้วแอวปอขึ้นแถวเรีวงานบ่อหูกันสักสิ่ง ได้แต่เล่นวิ่งไปมาเล่นมากสะกามบากางบ่ได้ห่างตั้งวันน้องบอกเข า, ม, ข า, เามันจูผู้เขาบอกเอากรมแม่นจะจำจากใจซอเสียนไม่หาลัวใจเขาหนัวแต่เล่นลวดละหลีกเว้นเสียไก่น้องอดใจคำเจ้าบอบอ ก, บอกพี่เจ้าเตรียมตา อดเมือนมาแต่ใส่บัตรนี้อดบ่ได้เดือใจจริงจะใครเก่าหื้อปี่ได้หูตามมีแลนะเอวังบุตแต่ก้าฮะปฏิกันนางกาละวันนาใจถอยก่าวเสียงถอยว่าตีกาฮะบ่ดีผู้ใหญ่ร้อนเดือดไม่โกธา บอ่อปิจาระนาสันทีหื้อแม่นตีตามไรก่อเรียกใจตั้งหามาพร้อมนาบัดเดียวกำแขนเหลียววัดวา ด, ดเป็นมือฝาดหลยตีจำหื้อนีจากบ้านว่าสูขี้ข้านเดือดลายกินเขาง่ายแล้วสอดบอ่อคือตรอดกิจการ กินอาหารเสียเป่ากินข้าวเหนายเสียสุ้มเต่าไปสุม่มวนเล่นหกวิ่งเต้นแดนไก่ตาวันใสคำลาจริงวายนาขึ้นมาพอกาญาพาพอเอเ้อยเหือไขนย้อยเป็นสายดังแมวไลยตัวหยาบอันจังกาบกินหนูกันว่าสู้ไขรอยู่ กับเผ่าพัคนได้จุงเร็วไวอย่าจ้านีพากนาไปปั่นหรือป้ากันเข้าป่าหเสือกับก่าววาวายส่วนคำใจตั้งหาฟังปอดาและตีก็รีบหนีไปซ่อนอยู่ใต้บอลเกหาเจ็บกาญาล่ำตีร้อนว่าวีสันหลัง น้ำตาปังหลังย้อยตงังรีรำถอยจอมกันว่าพ่อจอมควันเป็นเจ้าตังแต่เก่าเดิมมาบอกเกยโกธาโคตกาบอกเกยตีดาเราราสันได้จ้าวันนี้โคตลำตีเรือภาบานบอกเกยจาวานบอกลูกฟิตและทูกสันใด ป่อเกยจากใครเกาเจี้ฮแจ้งทีตามมีป่อพานี้คำเจออ้ายังลูกเต่าเราราบัตนีนาตนป่อบอกลูกนอใส่ใจครับจำไปสู่ป่าฮความนาวมไววกิจการลายหน่อยใหญ่เราได้จวยใจจูอันอัน จวยจูวันบอกผ่อนเมือนแต่ก่อนดีลีสันใดพ่อตีและดาว่าเราตั้งหาเอ็นยานบอกกะตั้การขี้คานเออสอดบานได้ได้ตีนั่นใจปีเก้าจริงบอกเราใครจะว่าดูระนองเตรียมตาตั้งสี่จุงฟังปีจะไข แต่นี่ไปไปนาปีน้องหาคำจ้ายบอพันภายกะภาคออกไปจากเฮือนตนบ่มาวนละสอเต้ายั่งจอดเศร้าซาตามอาณาติไกตามปืนไตเฮือนนอนถึงไงตอนคำเจ้าช่วยแม่หน้าเจ้ากะตำการกอมีฮันและนา ตาโตปารังทัดแต่นันไปไปนาบ่อเดินจ้าหึงนา น, นางพี่มานแม่น่าหันยังหาคำใจบ่อพันายนี่ากออกไปจากเกหาการนาน่าน้อยใหญ่รับคำใจจูอันอันใจแห่งมันต่ำโต้ บอกจื่นจ้เอยยินดีบอกานี้สักกากเตโาจังมากนานำบอกกว่ากรรมบาปไรจักตอบทายไปนุนบอกโหบุญและบาปย้อนใจมันยาป่ า, ลาโลพาตันหาหมืดบอดบอกกุด ร, รอดตังวายมันจี่จ่องบอกคาใจปีน้อง ว่าสูอยู่ห้องเกหาเสียเวลปาปังเป่าถึงขับเขางายแรงกินแต่แกงผักไม้จิ้นป่าบ่ใดเคยหันสังบ่ปะกันเตียวต้องไปสู่บวกล่องดองป่าเสาวแวงหาซอไซยังป่าน้ยไน่กินดำเอามายำลาบซากินพอนะ้อหน้าจอมกัน กัน บ, อ บ, อบอ่อหันบ่อใดยังป่าน้อยใหญ่ตั้งลายกบค า, ายไายกุ้งเนียวอันเล่นสอดเจีวในนองอึงตัวปองจังร้องฮือเก็บใส่คองนำมาตั้งหอยนาหน้าน้อยใหญ่ฮือเก็บมาไขาตามไรสันดีคำใจตั้งหาฟังแม่น่าไขาปันต่างป่ากันละผัก ออกไปจากเกลื่อนตนรีบเดี้วหันไว้วองไปสู่บวกล้องดองป่าเสแวงหาซอไสยังป่าน้อยใหญ่ตามกำได้แล้วนำมาสู่ยังที่อยู่เกะหาตกแต่งดาหลาบซาตามแม่หน้าใข่ปันไปตั้งวันจะใจบอกาัดใดวันใด กันวันไหนหาได้ยังป่าน้อยใหญ่ดวงลายนางผีพายแม่น่ามีสีนาเจยบ้านกำจาวานอ่อนอ้อยฟังจื่จ้อยวอนหูว่าสายบุญจู้เฮยโลกเต่าแม่ได้ดาเข้าอาหารตั้งของกินวานหลายสิ่งรสาติยิ่งหลายอันจุงป้ากันอาบนำ คัดเสียงซ้ำกาญยาแล้วรีบมากินข้าวกับพ่อเจ้าใสา่ใจกันวันใดบ่ใดยังป่าน้อยใหญ่มาเฮือนใจบันเฟือนโคตรกาพ่อใบานาปานพีไขวตีจ้จะถอยจมแจงป้อเนาหน้าว่าสู่ออกเกหาแต่เจ้า ไปเสียหอเข่าได้ได้ปูปาลายใหญ่น้อยบ่อติดหอยมือมาเป็นดังมาขี้ข้านอนอยู่บ้านเสียทรงยามเข่าดงดันป่าเต่าเล่นกว่าจอมลังบ่อคิดวังซอไซยังสัตว์น้อยใหญ่กว่างทาราย ตัวเต้าหมายไปเล่นฮกวิ่งเต้นแดนไก่ตาวันใสคำลาจริงอายนาคืนมาพอกาญาตานาะดังพีปาเล่นไายสุยาหมายจักใดกินอิ่มใสยามแรงของขั้วแกงว่งเจ้าปิงบ่อข้างหิงอันใด เขาไให้บอกขึ้นเสียงแต่นื้นยามตอนสู่จุงไปนอนใต้ล่างตีจิมข้างมูมานาั่งปาลาแมนาจุมแจงดาลายภากานหากกุมมันปีน้องตุกทางตอ้องหัวใจบ่จกไขตอบทอยเต่าน้ำตา อ, อยฟังลงกอบีหันแะนา อาเทกตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งใสานางบาบใบกาละวันหนะ้าก็ใครจะบอกเราแก่หาเจ้าคำาจว่าปูป่าลายมวลหมูอันมีอยู่วังทานกินมานานปอกายกูนี่นายป่าปูจุ่มหมูสูอย่าอยู่จุงไปสู่ดงนา เสแวงหาหือได้ยังสัตว์น i ไยในดงคือควายปงวัวเถื่อนข้าติงเปือนวัวแดงเห็นอ้นแฝงเฟยไม่เล่นลิ้นไตาสาขาตั้งเยืงผาละมังข้าตายหูตั้งกว่างฟ้านสัตดงดานเถื่อทนทำ ม, มีความพำมหลายพันจุงป้ากันรีพาว เขาสู่ดาวดงดอนแอลเตียวจอนซอไซหาฮือใดนำมากันสู่หาบ่อได้ยังสัต์น้อยใหญ่ดังไมยจะได้ผันภายป๊กปอกอายนาออกขึ้นมานางปาล่าห้าวห า, หาดก็อเอาสินาดปืนไฟหอกคมใสน้ำไม่ปืนปิดใจยาม มาวางตําต่อหน้าหืแกล่ากุ่มมันตั้งโพชนาอาหารห่อเข้านั่งบาปเสวกาลีกอดดาดีแต่งไว้ใส่ธงใหญ่ย่อปันห้าจอมควันกำผ้าฟังแม่น้าไข่กัมเป็นตุกน้ำนักแก่บอจังเ่าวแก่สันใด ส่วนในใจนั่นใสร้อนมหมาดไม่เป็นควันก่อปะกันกาผากออกไปจากแกหาเปื่อไก่กาเตียวต่องเข้าสู่ห้องดงรีก็มีหันและนะเตกุมมารอันวาหากุ ม, มารปีน้องเข้าสู่ห้อง ด, งดงดำไปตามกำเ ก, กาวจี้แห่งนางกำกีปาลา เปื่อสะเเแบหาซอไซยังสัตว์น้อยใหญ่ในดงคือละองค์ลึงเ็นข่าตายเต้นกว่างทารายห้าคำใจกำพาบุญดันป่าดงไพรลัดสอดไปจ้าใจบ่อหอนใดเแล่งหั น, นยังสัตว์ดงตันสักสิ่งสั ง, งัดหนิงเย็นวอย หันแต่ห้อยเรดจา้างตีจิมค้างต่างไปสัต์ในไพรน้อยใหญ่บ่มาไก่ก้องตานกนานาลายหมูจับไม่โยงเหงาเศร้าตั้งนกเขานกเอียงดักไขเสียงดงดานล้มบ่ปานยอดไม่ นิ่มเสียงไข่ไปบนตังหาคนกำผ้าถือเครื่องค้าเดินดงลัดป่าปงแต่เจ้าก่อไปรอดเก้าโปสรายกางดงไพรป่ากวางนกอยู่สร้างลวงลายกันพันภายไปรอดกอเข้าจอดเสาซ่านกนานาม้วนหมู่อันจับอยู่ไปบน ดังมีกังวลถูกต้องบอกกูร้องคันคันบอกปะกันซอไซเต้าจับกิงไม่ได้ได้หาคำใจพี่น้องสัตต์ตาส่องเล็งหันยังนกดงตันบวนมูจับไม่อยู่มองขีใจบุญมีปี่เก้าจริงตานเล่าใครจา ว่าจุ๋มเราราตั้งหาเป็นกำผ้ามองผ่านนกดงดาโน้นอยใหญ่มันมอง ม, องมนไม่สั่งจ้าจริงป่ากันมามวลหมูพ้อมน้าอยู่จอมกันบ่ขันขันกูร้องสางัดนไข่หองดงดำนอคุณทำน้องซ้อยจริงตอบทอยกำไป ว่านกดงไพนี่เล่ามันมองมนเสาจอมเราเรามองเงากำผ้าซ้ำแม่นาเคขาเราดันดงนามารอดเขายังจอดเสาแรงนกเล่งแยงสั้นสองรู้รอดห้องใจเราจริงมองเงาทั่วนาจอมหากำผ้าเรารงและนะ ที่นั่นตนคาใจปีเก้าจริงตานเล่าใครจะว่าจุ้มเรารามวนหมูมีชีวิตอยู่เหมือนตายเป็นตุกลายโบผนถมทางคอนตัวยมาแม่มราณาผากทองเราปีน้องบองผ่านนางพี่มานแม่น่าก็สวกก า, ารรม เต่าคาบจำแต่งใจบ่อวาไกาและไก่จำเราไปเสียงไข่การน้อยใหญ่นักเ้าตกแก่เราจูพูมันเต่าอยู่ได้ได้ยามเราตั้งลายหาได้ยังของเลี้ยงใสกินล้ำมันไข่กั้อ่อนอ้วนฟังแล้วม่วนหัวใจ นาบ้านใส่จมชื่นดังใดเงินหมื่นคำปันจับลังวันกว่าจอยมันบ่ได้ดอยปู่ป่ามันเครื่องกาโคดใหม่ออกป่าใกล้จำนีไขาวาตีหยาบจหาจมแจ้งดานานำแซงกะตั้มถ้วยถาดือเรียราด ใ, ใหญ่ๆ บุมผอใหแตกบางดาบอกข้างเกหาบอกเอเราราพี่น้องได้กินอิ่มต้องยำแรงเอาเขาและแกงส้นไวบ้บอกือเราไดเล่งหันล้างเต้อไครปันบอกป่อว่าเราหาหนอคำใจเงี้ยบอกดีหลายนักแก่กวนเอาแสตีหลัง พอเราฟังมันสอบก็ต่ อ, อหเหยาวไกลบ่จะใครทำทีฮื้อแม่นตีตามทำได้ยินคำันเก่าก็โคดเ้าเลือนลายกำเสวายมาได้ยกฝาดใส่สันหลังเป็นตุกขังคำเจ้าดังคำเก่าโบราณ เสือป่านานติดต่อว่ากำผ้าปอกินข้าวกับป่ากำผามานดากินน้ำตากับข้าวแม่นแต่เล่าบว่สงสัยและนะทังสุดตัวจันตากุมมาโรเมื่อนั่นจันตากุมมาน้องซ้อยนอพระยอดซ้อยทรงทกรกอกไก่กำเกาจี้ ว่าดูราปีเตรียมตาจุมเรารานีสัสสร้างบัปไว้ตั้งวันกอทมกันลายลาคานี่หากยินกลัวเหตุว่าตัวแม่น่าใจอยาบจาทำได้ครับจำปีน้องไปสู่บวกกล้องวังทานหาอาหารเลี้ยงไส คือสัตว์น้อยใหญ่ปูป่าบาปนำนาลายแย่อมตกแก่ตัวเราเราได้มองเหงาต่ำก้อยยอ้อดกำเจ้าถอยตัวตันคือแม่จอมควันเป็นเจ้าได้ดวนเข้ามาราาละเราราตั้งหาเป็นกำผ้ามองเหงามัดนี่เราปีนอง บ้อยนีห่างห้องกองทาสร้างแต่กรรมบาปกาตามกรรมแม่น่าตั้งวันบาปเตียงตวยตันตอบทายเฮร้อนร้ายเดือลายบัดนีนางผีพายใจบาปได้ขานาบเคขา่าเอเร่ารามวนหมู่เข้ามาสู่ดงดาน หากว้างฟ้าเถื่อนทองไปเลี้ยงต้องตัวมันบาปอนันจะถอยย่อมจองหอยเราราคาพิจรารนาะสันทีบ่มีที่บ้านใจกันจักอยู่เหมือนไปไปนานก็เป็นดังคาก็ะตำการอยู่ไปนานเสียเป่าบ่มีประโยชน์เล่าอันใด ได้แต่มองใจตำก้อยสร้างบาปใหญ่น้อยทอมนาเงื้สันได้จานันา่นใสเราจริงจักใด ส, สดใสเรากวัว น, นี้ลี่สนไปอยู่บนแดนไก่หรือหนีไปต่างดาวไปเป็นไผ่เต้าไก่ตาหรือเข้าดงนาป่าเศร้าสะหาเจ้าราศี เฮียนกุลดีวิเศษสวัสดาเปตมนยำหรือเข้าดงดำเถื่อนทองถึงเขตต้องหิมะปานหือสัต์ตัวหานยาบจาหรือยักบาปกาควบกินหน่อมูนินน้อยหนาได้โอกาสไรจ่าส่งผ้าตาจุ่มปีหื้เก่าจี้ลายผากการก็มีวันนั้นและนะ เนธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณนะแปะคำผูกทวนสองปางดอโูทีนยานลองทมปีหื้อเกาจีต่างไปผูกนี่ไครเต่าอีก่อบังกมสมเร็ดเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแลลว